ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธที่มีศาสนาพุทธเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและขัดเกลาจิตใจให้คนในชาติสืบเนื่องต่อกันมานับพันปีแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเปลี่ยนแปลงทั้งทา ง, งเศรษฐกิจและสังคมทําให้ศาสนาถูกลดบทบาทและกลายเป็นเรื่องไกลตัวของชาวไทยออกไปทุกทีซึ่งในยุคสมัยปัจจุบันเนี้ยวัยรุ่นนะคะถ้าเผื่อบอกว่าไปเข้าวัดฟังธรรม นะคะไวรุ่นเขาก็บอกว่าไปพยามดีกว่ามั้งนะคะโดยปกติแล้วว่าจะไม่ค่อยสนใจเรื่องธรรมะเท่าไหร่คิดแรกๆว่าคงจะไม่ค่อยสนุกสนานเท่าไหร่น่าจะน่าจะเบื่อหน่ายมากกว่าจริงๆว่ามันใกล้ตัวนะแต่ทีนี้ว่าคนคนทําให้มันไกลอ่ะจริงๆแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวปกติเนี่ยเป็นคนที่ว่าห่างธรรมะบ้างจะทําบุญก็เฉพาะวันพระหรือไม่ก็วันเกิดตัวเองแล้วก็แบบอื ทานศีลภาวนาแต่ว่าภาวนานี่เราไม่ค่อยได้ศีลแปดนะไม่ค่อยได้ไปเพราะเราค้าขายไงเราจะไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าศีลห้าเราประจําอยู่เลยค่ะแต่ศีลแปดก็นานๆครั้งหนึ่งคนเราทุกคนก็ต้องทําความดีก็พี่บุญก็เป็นความดีอย่างหนึงใช่ไหมเพราะเราทำไปเยอะแต่สมบุญก็เหมือนจะสงความดีไม่ให้บ่อยฮะแต่ใส่บาทบ่อยทุกวันใ<ม>ส่บาทบ่อยเพราะว่าเวลาไม่ค่อยมีทํางานเก่าทิต ด, ด้วย ถ้ามีโอกาสก็จะไปแล้วก็ส่อสมารด้วยแหละชาบ้านจะมีพระวัดอยู่แล้วถ้าว่างก็จะไปทําสารพานกับครครัวไม่บ่อยอะค่ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะเข้าก็คือไปทําบุญให้ให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าครั้งล่าสุดหรอคะอออปีที่แล้ว <laughs> ความไม่สะดวกและภารกิจหน้าที่ อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ช่องว่างระหว่างศาสนาและพุทธศาสนิกชนขยายห่างจากกันมากขึ้นแต่ในวันนี้หลายอย่างอาจเปลี่ยนไปเพราะธรรมะจะถูกนำออกมาเผยแผ่ถึงในบ้านในรูปแบบที่ไม่ยากต่อการติดตามและเข้าใจโดยพระมหาสมปองตาลปุตโตแผ่นดินธรรมนำใจให้ไรทุกแผ่นดินทองพ่ากายสุขไม่ทุกเข็ม แผ่นดินเพชรมีความเด็ดคือร่วมเย็นเพราะว่าเป็นแผ่นดินไทยไม่ไร้ธรรมขอจเจริญพรสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ธรามาภาพพระมหาสมปองผู้ให้กำเนิดธรรมะเดลิเวอรสำหรับเทแปแรกนี้รายการธรรมะเดลิเวอรได้ไปที่มหาวิทยาลัยราชภาัฏวไลยอลงกรในพระบรมราชูปถัมภ์ที่นวมนครธรมรมะเ e ลิเวอรี่เราเน้นในเรื่องของความสนุกตนานเพื่อเปิดใจให้รับสาละ แล้วเข้าสู่ความคิดที่เขามีสติมีสํานึกที่ดีเกิดจากการที่เขามีความสงบในใจิตใจแล้วเขาก็รู้ว่าชีวิตคืออะไรเกิดมาทํำไมแล้วอยู่เพื่ออะไรแนะนําตัวอีกครั้งพระอาจารย์สมปองตาลปุตโตวัดไส้ทองพระอารามหลวงพระมหาสมปองตาลปุตโตตาลปุตโตเป็นฉายาพระหรือเรียกว่าบาลีเนมตาลปุตโตแปลว่าอะไรตาลปุตโตเป็นตาตาละแปลว่าตาลเป็นชื่อแม่นะแม่ชื่อตาลตาลปุตโตก็ ลูกของยายตาลนะครับเอาเชื่อแม่มาตั้งฉายาในเรื่องจริงนะครับบางคนจะพูดเล่นนะบอกพูดจริงทีใจไหมครับวันนี้มาเจอพระไม่เชื่อครับคุณแม่บอกอย่าเชื่อใครง่ายเป็นพระที่เชื่อแม่ครับเป็นพระที่เชื่อแม่มากนะครับล่าสุดแม่บาดเจ็บทวงมาหมู่บ้านส่งตังค์ให้ไปรักษาหน่อยส่งไปแล้วสองร้อยนะครับก็คิดว่าสองร้อยน่าจะเพียงพอเพราะว่ารู้สึกว่าพ่อกับแม่ไม่ค่อยจะลงทุนในการเลี้ยงเรานะครับเพราะว่านมแม่ก็ไม่ได้ดื่มเพราะว่าเป็นลูกคนที่เจ็ดเป็นลูกคนที่เจ็ดครับคือ คือเคยไปถามพ่อนะว่าพ่อกับแม่เพาเราเกิดมาในยุคที่เขาลดรงให้หนึ่งก็ได้ชายก็ดีมีแค่สองแต่แม่มีเจ็คนก็ด้วยความเป็นเด็กสงสัยหน้าตาซื่อๆดูหน้าก็รู้ละคนนน้นเรียมๆเนี่ยซื่ออยู่แล้วนะรู้ๆอยู่แล้วเดินไปถามแม่กับพ่อพ่อถามจริงทำไมมีลูกเยอะจังตั้งเจดคนเขาลดนรงแค่มีสองคนพ่อไม่รู้ตอบเลยพ่อบอกคือพ่อแบบพ่อรักแม่มากมนรู้จะแสดงออกยังไงอะไรเงี้ยอ๋ออเคเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจละไม่ต้องอธิบายต่อละไม่ต้องอธิบายต่อ ชัดเจนเลยฮะชัดเจนมากที่จริงเกือบไม่ได้เกิดนะครับพี่ชายสามพี่สาวสามหกคนลงตัวและวชายสามหญิงสามคนที่เจ็ดพ่อจะไปทําหม่นแล้วสมัยบ้านสมัยก่อนรถมันน้อยมันนอกพอจะไปรถไปกินก๋วยเตี๋ยวกินยังไม่หมดรถออกตกรถกับจังหวัดที่ตกรถก็ก็เลยได้เกิดมาไปมาหลายที่นะครับไม่ไม่ไม่เขาเคาาจะนั่งสลับอ่ะที่อื่นหลอ่อิเลีสวยเค ล, ลีหล่อเคลีสวยิเลีมาที่หมหาวิทยาลัยราชภัฏวัลเลยลงก่อนไม่มีสลับเลยครับิเคลีเคลีเลีเล นั่งติดจะเป็นพูดไปเลยนะด่าเล่นนะไหนใครชอบเข้าวัดบ้างครับยังมือเกินเข้าวัดไปทําไมครับโอไปทําบุญไม่น่าจะหน้าตาไม่บ่งบอกเลยนะครับทีนี้บอกเข้าวัดไปเนไปขโมยรองเท้าพระกางนี้เขาบอกวัดกําลังจะร้างตารางกําลังเจริญตารางคุกเนี่เข้ายากมากพระอาจารย์นี่เคยไปเรือนจําเคยไปเข้าคุกมาก่อนนะครับแต่ไม่ได้ติดคุกนะครับไปบรรยายเคยไปบรรยายวัดสร้อทองเคยได้มุนกล่ารูปกลารูปบางวันเอารถตู้มารับน่ารักมากเลยขําๆน่ารัก บางวันรถตู้เสียรถปิกอัพมารับโอเคฮะนั่งหน้าสามนั่งหลังหกนั่งรถปิกอัพต่างกรุงเทพคิดเอาแล้วกันครับติดไฟแดงแดดร้อนเปรี้ยงๆหัวสมองหัวสปายกระจายกันเลยเนี่ยะยังโอเคครับบางวันรถตู้รถปิกอัพเสียเอารถเรือนจํามารับนึกภาพรถเรือนจําออกไหมครับคันสีดําอ่ะคือเห็นสีก็ไม่มีอนาคตเลยคันสีดํามีกรงเหล็กมีกระจกมีที่ล็อกข้างหลังแล้วที่ดูพระก้าวโลภอย่างมากนั่งหน้าได้แค่สามนี่อักศุดๆแ์แครับ อีกหกรูปนั่งหลังแล้วเราก็ดูหน้าก็รู้ยังหนุ่มยังแน่นจะไปเบียด น, นั่งหน้าได้ไงก็ไปนั่งหลังครับควรเราเวลาติดคุกเวลาเขาเดินขึ้นรถเรือนจําเขาจะกลมหน้าครับไอเราเพราะายเราก็เดินกลมหน้าเหมือนกันครับพอเดินไปถึงปั๊บเรานั่งปั๊บพอนั่งเสร็จปั๊บปิดวัะตุปั๊บล็อกแก๊สจะล็อกทำไมครับเราไม่หนีไปไหนอยู่แล้วพอล็อกปับ๊บบรรยากาศมันได้เลยครับรถก็วิ่งไปแล้ววันนั้นดูข่าวไหมในกรุงเทพรถติดพินาสันตโลเลยครับไม่รู้เป็นไร มีเด็กอนุบาลยืนมองแมเดูสิแม่พระติดคึกต้องพยายามอธิบายมันเข้าใจไปบรรยายไปบรรยายรู้มันเข้าใจหรือเปล่าพูดถึงเด็กอนุบาลประทับใจเด็กอนุบาลมากเด็กอนุบาลจะมีความมั่นใจในตัวเองว่าเขาเป็นคนน่ารักครับเวลาไปเจอพระมันจะไปถึงโรงเรียนไปถึงโรงเรียนโดดดังหน้าพระเจเอ๋พระนี่จะเสียมันมันมั่นใจมากว่าเป็นคนน่ารักฟันก็หล่อๆหน้าตานีะก็เด็กนรกเนี่ยนะพระพระพระไปไหนอยู่คิดว่าตัวเองน่ารักมากเลย หอบพักไปเป็นยายโลกยังไม่ถึงเวลาไปเข้าห้องน้ำบ้างหน้าต่างก่อนไปห้องน้ํมาโอใช่แล้วไปด้วยคนดีบางทีผู้ชายมันตามไปจริงครับแล้วคิดดูห้องน้ําโรงเรียนบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นห้องน้ําเด็กๆเนี่ยเขาจะไม่มีประตูมิดชิดเพราะว่าหมายถึงว่าข้างล่างมันต้องมีช่องไว้เผื่อมีอะไรเกิดขึ้นจะได้เขาไปช้วยเด็กได้แล้วคิดดูบางทีเราต้องไปเข้าห้องน้ําอย่างนั้นครับเพราะว่าเขาไม่มีห้องน้ําให้เราเป็นพิเศษเราก็ทําตัวง่ายไงพักสบายๆก็ไปเข้าปั๊บบางทีมันช่องมันเล็กครับช่องมันเล็กท่านหน้าพวกเราไม่มี เข้าใจไหมฮะเข้าใจความรู้สึพกพระนหมครับกําลังให้อาหารห่านอยู่เนี่ยฮะกินน้ากินน้าอะไรเงี้ยกําลังให้อาหารห่านอยู่เลยจะปล่อยอพอโลโ้อ ล, ลงกอหานแล้บางทีหน้าโผล่มาเจี๋ยมันจะมาเจี๋ยอะไรตอนที้จี๋ยไปพวกเราดูสิขาเป็นด้วยโอ้ยอยิ่งใหญ่บ้านเดี๋ยวกันไปหัวเราะดังกันนะั้นจ้างไว้ยี่สิบขำเป็นร้อยเลยแล้วนะเจอจริงๆบางทีก็ยืนมองดูพดระทพวกเราดูสิขะเดินได้ด้วยอย่างเงี้ยก็เดินได้แล้วครับไม่ได้เป็นอมาาัมพาต บางทีครูสอนเลขใหม่ๆหจะนับจะโชว์หนึ่งช้อนชามฟันนาร์ลอได้ชีเปียกหมดเลยหนึ่งช้อนชามชีห้าทุกตัวดูสิพระมาทั้งห้าตัวเด็กมีเด็กอนุบาลนี่แหละจะใส่บาทยายใส่บา ท, ใ ส, บาทใส่ยังไงพอไม่ยากลูกถ้าเกิดพระม า, มารูปเดียวก็ใส่ไปเลยถ้าเกิดพระมาหลายลูกก็ใส่จากหัวไปหาหางผู้เสร็จที่ว่าหลานจะเข้าใจครับรืมของกับเอายในบ้านหลานตักข้าวรล้วน้อนเลยครับใส่จากรวัลไปหาหางเหรอหนึ่งเก้าอี้มาเลยยืนมันเก้าอี้ใสจากรวัวไปหาหางใส่จากหัวไปหาหางใส่จากรวัลไปหาง ใหญเดิองมาตกใจต า, ตายลูกทำกันบาปเยอ่เลยจับได้ไม่กว่ากวาดข้าวจากหัวพระมาเลยนะ <laughs> ใยญ่บาปหนักยิ่งกว่าหลานเองนะ <laughs> แน่นอนครับมาเจอพระว้อได้ฟังอะไรครับฟังอะไรนะถ้าเทจะง่วงเลยต้องได้ฟังธรรมะเออเหมือนเคยดูแล้วเนี่ยเข้าท่าเลยเ <laughs> ขาบอกฟังธรรมะแล้วจะไม่โง่แต่ถ้าไปฟังโปรเตเตอร์รักแท้ดูแลไม่ได้นะครับเขาบอกฟังธรรมะแล้วจะไม่เป็นปอกแต่ถ้าไปฟังพี่ออฟหยุดไม่ได้ขาดใจ อืมดูดีด้วยเหมือนเคยฟังบ้านมีทีวีเลยเนะี่ยฟังธรรมะแล้วจะไม่เป็นเพลยแต่ถ้าไปฟังบุธเดเบสอยู่ในปาร์ตี้ร้อนยางกับไฟเอออืมบางคนไปปาร์ตี้บ่อยฟังธรรมะแล้วจะไม่หดหู่แต่ถ้าไปฟังโซคูก็จะเดืจะกซากอ้อยแล้วก็จะต้องย้อมใจน้ําตาไหลจ้าจ้ากันนะครับไอ้ดูมิวสิกมันไหมครับคือสิกบ้านเนยน้ําตาไหลแรงขนาดนั้นฟังธรรมะแล้วจะเป็นคนสดใสฟังธรรมะแล้วเราจะรักกันแต่ถ้าไปฟังที่พันธ์ แค่วางมือบนบาสน้ำตาก็ไหลฟังธรรมะแล้วใจจะไม่เน่าเสียแต่ถ้าไปฟังนัดมีเรียรักไม่ช่วยอะไรนะครับฟังธรรมะแล้วจะไม่เปลืองแรงแต่ถ้าไปฟังคอนสักสองแสงจะเปลืองแรงเพราะมีเมียเด็กไม่น่าเชื่อฟังคอนศักอย่างเดียวเลยพวกนี้ฟังเพลงอื่นไม่ค่อยได้รู้จักเท่าไหร่นะครับเอาละต่อไปนี้เราจะมาดูธรรมะกันบ้างหลังจากได้ฟังธรรมะกันไปแล้วอก่อนฟังธรรมะพระอาจารย์มีสามคำถามจะถามตอบได้ไม่ต้องแย่งกันตอบนะครับค่อยๆตอบ ใครตอบได้จะมีรางวัลใหญ่ให้นะครับไปทุกที่มีรางวัลให้ทุกที่แล้วก็เหมือนกันหมดเพราะว่าจะได้เท่ากันรางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งเป็นบัตรอาบน้ําที่ฟาร์มจอร์ดเคนะครับให้สี่ใบเลยนะครับเผื่อพาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยนะครับลองเล่นลองเล่นว่าใหญ่จริงเป็นบ้านพร้อมนี่สินหนึ่งรางวัลนะครับไปผ่อนเอาแล้วกันโอเคครับคําถามคําถามแรกครับพระพุทธศาสนาสอนให้เราเป็นคนยังไงโอ้ต้องนับหนึ่งถึงสามคนเอาหมานับหนึ่งถึงสามหนึ่งสองซอ้ำหน่องซ้มที่หนึ่งสองซ้ำยกมือขึ้นตอบนะ 1, 2, หนึ่งสองบ พ่อยังไม่ได้ถามเอาเขาถามใหม่ดีวกว่าน้ำหนึ่งถามยมร์ก็ตอบนะพ่อขุนรามกําแหงเป็นพระราชาในกรุงสุขโขละลายเอาละามาฟังช้อยกันมันยากมันยากคนไทยตอบไม่ได้หรอกอาตาอ่านหนังสือเฉลียวันละแปบรรทัดคนไทยอ่านแค่นั้นเขาจะไปตอบได้ไงนัำสังกระทรวงสาธารณสุขเรูมิใจนะอ่านไปเก้าบรรทัดแล้วนะครับช่วยกันอ่านเยอะๆสติเราจะได้เพิ่มขึ้นสุขโขละลายครับอ้เก่งจังเลยไม่น่าเชื่อติงตองถามติ้งต้องตอบอีกนะครับ ประมือตอบคำามกันดีกว่าพุทธศาสนาสอนให้เราเป็นคนทุกศาส น, นาสอนให้เราเป็นคนเป็นนักเรียนที่เป็นลูกที่เยา ว, วชนที่พลเมืองที่ประชาชนที่แล้วเราจะโชคเราจะไม่ตายอืมทํมาไมน่ากลัว อ, อย่างนั้นคนเราสําคัญที่ไหนครับสําคัญที่ใจเขาบอกแค้นแะไรก็แค้นได้แต่อย่ า, แ ค, า, าออแค้นเบาจะเอามือลงได้แค้นแล้วก็แค้นได้แต่อย่าแค้นเ ห, หนเืหหนอ่อยแล้วก็เหนื่อยได้แต่อย่าเหนื่อยท้อแล้วก็ท้อได้แต่อย่าท้อเพียแล้วก็เพียได้แต่อย่าเพียฝืนองอะก็ฝืนได้แต่อย่าเฟืน หายแล้วก็หายได้แต่อย่าหายอาจะไปอีกแล้วเอางี้กันครับพอเริ่มฟังอย่างนี้เราจะทํากิจกรรมกิจกรรมหนึ่งขอเชิญตัวแทนสักหนึ่งคนครับไม่ต้องแย้งกันนะครับไม่ต้องแย่งกันครับเชิญหนึ่งคนครับเชิญครับมาเลยครับขอผู้ชายก็แล้วกันนะใกล้ชิดผู้หญิงเดี๋ยวจะเป็นข่าวได้นะครับผู้ชายคนที่สานครับผู้ชายครับพบเพื่อนนั่งกับเพื่อนนะครับไม่ใช่ว่าย้ากใที่นั่งนะครับเจอพักอันดับแรกต้องสวัสดีก่อนสวัสดีครับ นี่น้อมศีรษะน้อยไปเจอพระแลต้องนอบน้อมมากมกว่านี้สวัสดีครับนานเหงนไหมอันนี้เจ็บแต่ฮานะครับเขาเรียกว่าใช้ศีรษะเราให้เป็นประโยชน์นะครับชื่ออะไรครับผมอัมมาลินครับพนเมือนิดหนึ่งครับชื่ออะไรครับครับมีไตอ่างเล็กน้อยนะครับแต่พ่อผู้ชายตอนนั้นนะครับชื่ออัมมาลินนามสกุลครับอ้วนมีครับอะไรนะอ้วนมีครับอ้วนมีครับชัดเจนมากนะครับเราอ้วนเหมือนกันเทรนนี้กําลังมาแรงลงพุงนะผู้ชายผู้หญิงลงพุงกันหมดนะตอนนี้นะ ทำกิจ ก, กรรมหนึ่งพระอาจารย์จะเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งพระอาจารย์อยากเล่าให้เธอฟังมากเลยพระอาจารย์ไปเจอเหตุการณ์มาับใจมาเล่าให้เธอฟังเอามือลงได้ครับเธอไม่ต้องพูดอะไรให้พูดเรอะอย่างเดียวไม่อยากฟังเลอเธออาจจะทําหน้าตาให้หน้าหมันไส้กว่านี้ก็ได้นะครับพระอาจารย์ไม่สามารถจะทำ ม, มากได้เพราะพระต้องสํารวม <c oughs> นี่ขนาดสํารวมนะครับไม่สํารวมจะไปเหลืออะไรเธอไปหยุดโทนนี้ดีไหมครับเพระาะฉันไม่ติดเห็นแอลพระอาจารย์ครับช่วงนี้พระอาจารย์ลงพุงไงไม่รู้ขอไม่หนึ่งตัวครับพระอาจารย์จะพูดให้เธอฟังเธอเรออย่างเดียวเดียวลองทําหน้าเลอะิ เอาให้หน้าเหมันใส้เลยครับผมครเออครับโอเคลองดูนะครับในล่องเหลือใชเหลอเหลอธรรมดาก็ได้โอเคเริ่มนะครับผมครับผมตอนเรียกพระอาจารย์มีมีเรื่องที่ประทับใจมากเหรอครับผมคือพี่ชายพระอาจารย์ในป่วยเป็นไข้เลือดออกครับเหรอครับผมแล้วพ่อเนี่ยเขาพาไปโรงพยาบาลเหรอครับผมแล้วพ่อพระอาจารย์ในแกเป็นคนเป็นคนประหยัดนะครับแกเป็นคนประหยัดมากๆาเหรอครับมันประมาณจากห้ากิโลจากอำเภอในห้ากิโล หลอครับแล้วจริงๆมันต้องขึ้นรถไปแต่ว่าพ่อเนี่ยพาเดินไปหลอคือคนมานอครับอยากจะประหยัด ก, ก็เลยเดินไปทีนี้พ่อจาย์ด้วยความเป็นเด็กหิวข้าวพอหิวข้าวก็เลยบอกพ่ออีพ่อเป็นภาษาโปตุเกตอีพ่อพ่อก็หิวข้าวพ่อก็เลยเดินไปไวหว้ผู้หญิงคนหนึ่งครับแล้วครับเรื่องมันซับซึ้งน ะ, ะซึ่งผู้หญิงคนนั้นเขาดูหน้าบ้านไปไหว้แล้วขอข้าวให้ลูกผมกินหน่อยแลอวครับเขาก็เลยเอาเข้าวเหนียวกับแหนมมาให้ ตอนนี้กำลังตามหาอยู่ว่าคนคนนั้นนี่เป็นใครเหรอครับจริงๆเราก็ไม่ได้จนนะฮะแต่ว่าคือพ่อเขาไปขอเองอ่ะแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลอาหารเต็มไปหมดเลยครับแม่เขาซื้อมาให้พี่ชายเหรอครับทีนี้เธอเล่าบ้างแล้วพระจานทร์จะเหรอเอาทเรื่องที่ประทับใจที่สุดหรือเป็นเรื่องสนุกสนานก็ได้เรื่องเม้าเพื่อนในห้องอะไรก็ได้ที่ที่เขาจะไม่ว่าเธอเนี่ยนะครับแล้วพระจานทร์จะเหรอโอเคลองดูเตรียมตัวครับต้องอะไรครับเมื่อเช้าตื่นเช้ามากเลยอ่ะเหร อ, อต้องรีบมาสำนั ต้องรีมาสัมมนาไม่ต้องมาหัวต้องมาซ้อมสคลิปกับเพื่อนอีกเหรอเพื่อนมันก็ไม่ยอมท่องมาดูโอ้โหพระอาจารย์เหรอมันไม่รับผิดชอบเลยโอ้โหผมงี้ตายแน่เลยวันเนี้ยเหรอแล้วครับรู้สึกยังไงฮะเอาความรู้สึกที่พูดกับพระจานทร์เหรอเหรหรือพูดกับเพื่อนเขาเลยแเมื่อกี้แล้วกันรู้สึกยังไงเอาความรู้สึกจริงๆเลยไม่ต้องรักษาพจน์ถามพระจันทร์ก่อนครับครับพระอาจารย์รู้สึกยังไงครับรู้สึกแย่ครับ ครับสึกไม่ชอบหน้าคนคนนี้ครับสึกว่าเขาเขาเขาไม่ได้รับการเติมสอนมาจากพ่อแม่ครัวจาร์เนื้อไงทําไมไม่มีมารยาทในการฟังเอาซะเลยครับนะถ้าเป็นคารวาสอาจจะรุนแรงมากกว่านี้นะครับรู้สึกไม่พอใจครับรู้สึกไม่มีความสุขรู้สึกไม่ให้เกียรติครับทีหลังจะนิมนต์อีกนะครับไม่ให้เกียรตินี้ครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่พระอาจารย์เล่าเหมือนเหมือนพระอาจารย์นะครับไม่ไม่พอใจแล้วก็ไม่ไม่รู้สึกว่ารู้สึกว่าเขาไม่ไม่เป็นผู้ฟังที่ดีไม่เคารพนะครับไม่เคารพเข้าใจไหมครับ เอาละครับต่อไปนี้หันหน้าหากันจะสมมติให้เป็นอภิปราดังขอบคุณเพื่อนก่อนนะครับขอบคุณครับวางไหม่แถวนี้ก่อนได้ไหมหรือถ้ามันไม่สวยก็ไปที่เดิมก็ได้ต่อไปนี้หันหน้าหากันนะครับอย่างรวดเร็วว่องไวหนึ่งสองามสี่หกโอเคครับจะหันหน้าหันหลังหันซ้ายหันขวาก็ได้แต่ขอให้มีแถวเอางี้ละกันง่ายๆเลยอถ้าหันเก้าอี้จะยากไปไหมยากไปนะครับโอเคหันหน้าหากันเลยครับหันตัวเดียวก็ได้แล้วแต่ครับผมหันหน้าหากันคนนึงเป็นเอครับ คนนึงเป็น B โ okay. อเคใครเป็น A เป็น B ตกลงกันครับต่อปีนี้ให้ A พูด B ไม่ต้องฟังเข้าใจไหมครับ A จะพูดอะไรก็แล้วแต่อยากให้ B ฟังอย่างมากเรื่องส่วนตัวเรื่องเมาส์จา้านเรื่องอะไรก็ได้นะครับ B ไม่ฟัง B จะคุยโทรศัพท์ B อ่านหนังสือ B หันหน้าหนี B จะแคคคิตาอะไรก็ได้ที่เราจะทําโอเคนะครับ A พูด B ไม่ฟังเข้าใจนะครับเริ่มครับพูดดังๆเลยครับ A พูด B ไม่ฟังพูดเรื่องอะไรก็ได้เชิญครับ บีไม่ฟังครับบีไม่มองหน้าบีโทรศัพท์บีอ่านหนังสือเหมือนที่เราทํากับครูอาจารย์ในห้องเรียนนะครับไม่ใช่ไม่ฟังครับเหมือนที่เวลาพ่อแม่เราพูดอะไรกับเราแล้วเราไม่ฟังครับพูดพูพูดพพู ด, พ ด, เ, อพ ด, เ, ดเอพูดให้เขาฟังให้ได้ครับเอพูดให้เขาฟังให้ได้โอเคครับปีตหมดเวลานะครับต่อไป b พูดครับเอไม่ฟังเชอะเชะเลยไม่สนใจเหมือนที่เราทํากับเพื่อนปตาประจําครับไม่ฟังเพื่อนเลย บีพูดให้เอฟังให้ได้แต่เอไม่ฟังครับเชิญครับเริ่มครับพูดดังๆให้เขาฟังเราสิออกไปอะไรก็ว่าไปครับแล้วแต่แต่เขาไม่ฟังเราเลยครับอย่าสนใจอย่าตอบโต้บีพูดได้ฟังให้ได้เริ่มครับเริ่มครับพูดดีครับพูดดีครับพูดไปเล่ยครับพูดไปเรยครับให้เขาฟังเราให้ได้ครับบีครับแต่เอไม่ฟัง เอไม่ฟังไม่ฟังชาวบ้านไม่ฟังใครทั้งนั้นเพราะเราไม่เคยฟังใครเลยเราไม่ฟังเราไม่เคยฟังเราไม่คิดที่จะฟังแม้กระทั่งตอนนี้เราก็ยังไม่ฟังเหมือนจะฟังแต่เราไม่ฟังครับโอเคหยุดครับเราพูดเพื่อนไมฟังรู้สึกยังไงคะก็รู้สึกแย่ค่ะเวลาเราเหมือนแบบเวลาที่เราต้องการที่จะเล่าเรื่องสักเรื่องหนึ่งให้เพื่อนฟังแต่เพื่อนก็ไม่ยอมรับฟังะค่ะก็เสียใจก็ไม่รู้จะทํำยังไงกันเลยเคยเป็นเหตุการณ์นี้ไหมครับในชีวิตจริงก็เคยค่ะจะเล่าก็ฟังแล้วเขาไม่ฟัง ก็ทําอาการยังไงครับเวลาเขาไม่ฟังก็ไม่ฟังมันน่ารักเกินไปไม่ใช่ค่ะแบบบางทีเราจะเล่าให้ฟังเหมือนนั่งอยู่กับเพื่อนหลายๆคนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็เรากําลังพูดอยู่แต่เขาไม่ฟังเขาก็ไปคุยกับเพื่อนคนอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะหมอไม่สอใจเราเลยคเอาคุณพ่อคุณแม่เคยเป็นประเด็นอย่างนี้ไหมครับมีไหมที่เขาไม่ฟังเราไม่อะคือสมมติเราไม่ค่อยฟังเขาสมากิว่าโอเคครับผมจะเล่นกับเพื่อนได้ครับคิดว่าพ่อแม่รู้สึกนี้ไหมครับเวลาเีื่เราพูดแล้วเวลาท่านพูดแล้วเราไม่ฟัง ในใครไม่เคยฟังคุณแม่บ้างไม่ไม่ค่อยฟังต่าไหนหลังๆนี่บอกว่ารักแม่มากฟังคุณแม่ตลอดนะบางคนไปได้มาลูกกับบ้านคําจากอะไรแม่นี่เพิ่งตีสอง <c oughs> อก็นั้นแหละเขาถึงเขาถึงได้ถามไงเาถึงได้ถามไงนะครับเวลาเราพูดแล้วเขาไม่ฟังเราเวลาครูอาจารย์พูดเราเคยไม่ฟังไหม <c oughs> คิดว่าครูอาจารย์จะรู้สึกอย่างนี้ไหมครูเคยงอนเราไหม <c oughs> เคยรู้สึกมีการมองด้วยนะครับ ไม่ฟังเราเลยเราตั้งใจมาสอนเตรียมการมานี่ยอุตสา่าห์นี้ไปเรียนต่างประเทศมาเลยนะเพื่อเอามาสอนเอามาสอนแต่ไม่ฟังกันน่ะน่าน้อยใจงอนเห็นไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจเขาต่อไปครับตรงกันข้ามหันหน้าก็หาคู่เดิมบอกไม่ไเพิ่งหันเข้เก้าอี้กลับมาหันหน้าก็หาคู่เดิมครับต่อไป น, นี้บรรยากาศจะดีขึ้นชีวิตเราจะดีขึ้นบรรยากาศเมืองไทยจะดีขึ้นถ้าเราหันหน้าฟังกันคุยกันนะครับโอเคครับเอบีเหมือนเดิมครับ ตอนนี้เอบีเริ่มก่อนบ้างนะครับบีเริ่มก่อนบ้างบีพูดแล้วเอฟังอย่างตั้งใจโอเคเริ่มครับบีพูดเอตั้งใจฟังเชิญครับฟังอย่างตั้งใจอยากฟังเรื่องอะไรฟังโอโอเคหยุดครับต่อไปเอพูดบีฟังอย่างตั้งใจทุกถ้อยคำเข้าใจหมดเลยแสดงอาการออกมาด้วยเชิญครับ เอพูดมีฟังครับอืมลูกศิษย์เราก็มีคุณครูคุยกันด้วยนะครับอาจารย์คุยกันลูกศิษย์เราก็ดีขึ้นนะอืมโอเคหยุดครับหาหน้ากลับมาจริงๆครับทีนี้ครับหาหน้ากลับมาจริงๆแล้วนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะเข้าใจกันเวลาเราพูดอยากให้คนอื่นฟังเวลาคนอื่นพูดเราอยากฟังไหม ฟังพระอาจารย์ด้วยบางท่านบางคนตอนนี้ก็ยังไม่ฟังคิดถึงใครอยู่บ้างก็ไม่รู้เดี๋ยวเรามาเลือกกันหน่อยดีกว่านะครับเรามาทายนิสัยกันก่อนดีกว่านะครับว่าเพื่อนเราเนะี่ยเขามีนิสัยอย่างไรบ้างนะครับโอเคครับอ่านพร้อมกันครับหนึ่งสองสาถายลมสามารถทายนิสัยคนเราได้นะครับจริงๆการที่ถายลมคนเราเหม็นเนี่ยถูกต้องไหมครับหรืออุจจาระคนเหม็นนี่ถูกต้องไหมถ้าหอมมีปัญหาเลยนะครับสมมุติเดินไปห้องน้ำมีคนเดินสวนมาหึหึ ขี้ใครอ่ะอืมอืมตดเธอหอมเลยขอขอตมหน่อยนะอย่งเงี้ยมีปัญหาเลยนะครับจะเกิดการเดินตามดมกันละนาวเลยนะครับฉะนั้นเหม็นนะถูกต้องแล้วธรรมชาติสร้างมาถูกมากๆเลยเราจะทำงานเนื้สายของคุณจากผายลมของคุณนะครับจากตดของคุณขออนุญาตใช้คำนี้นะครับคนใจเย็นครับคือคนที่กั้นตดจนถึงจุดระเบิด <c oughs> โอ้กัน้นเอาไว้เต็มที่ <c oughs> ที่เดียวเลยนะฮะ คนคนนี้เป็นคนใจเย็นแน่นอนครบได้ครบได้ บ, ไดบ้านเมืองไม่วุ่นวายแน่นอนคนขี้โอขี้อวดครับคือคนที่ตดดังส น, นั่นแล้วยืนหัวเราะชอบใจ آ, ตดป้าตนะวันตดว้อยอะ่ะมีอะไรหรือเปล่าพวกนี้ขี้โอครับคนไม่จริงใจครับคือคนที่ตดเราหันไปมองหน้าเด็กนะครับเหมือนผู้หญิงบางคนบนรถเมย์ ป, ปึ้งมาไอาคนนี้ตดครับมองหน้าผู้หญิงพึ่งผู้หญิงเออเปล่านะไม่ใช่จันทนะ เหมือนผู้หญิงบางคนไปด้วยกันสามสี่คนพอมีกลิ่นปับเธอตดใช่ไหมป เ, หเปล่าเธอรึอเปล่าไม่เธอรึเปล่าไม่ไม่มใค่ตดเหรอว้าก็เราตดเองแหละแล้วมันจะถามคนอื่นเพื่อไมครับเหมือนอหนุ่มอีสานบ้านพระจานทร์ไปจีบเสาเหนือเรื่องภาษาที่สําคัญนะครับไปจีบเสาเหนือไปนั่งคุยกันอยู่สักพัก น, นึงมีกลิ่นปึง้งออกมาออืผู้หญิงคนเหนือเขาหายลงมาไปกินถั่วมาหรือเปล่าไม่รู้นะตดแ๊ะออกมาแต่พยายามจะบอกบอกเขาเป็นคนตดเองตดเจ้าตดเจ้าอะไรเงี้ยผู้หญิงเหนือนะตดเจ้าตดเจ้าคนอีสานเจ้ามันคล้ายๆเจ้าไปว่าคุณครับ ตดเจ้าตดเจ้าตดคุณตดคุณไม่ตดคอยี่ยังไงด้วยนี่ตดเจ้านั่นล่ะอืมบาดใจบาดใจพยายามอธิบายต่อตดเจ้าตดเจ้าไว้ตนเราก็ยอมรับในดีตดเจ้าเราเป็นตดคอยไม่ใจบาดใจตดเจ้าตดเจ้าพยายามอธิบายกันสุดท้ายไม่ได้เลยครับเห็นไหมไม่เข้าใจภาษาโอเคครับคนงกครับคือคนที่ชอบยืนดมตดตัวเองขนาดตดจะไม่แบ่งชาวบ้านเขาเลยนะครับอย่าอย่าตดกูตดกูอย่าอย่อย่าคิดดมอย่าคิดดม ปงเนี้ยงกแน่นอนอย่าไปกับมันเอามือแตะนี่เค็มเลยนะครับคนซาดิสครับคือคนที่ตดในผ้าห่มแล้วกดหัวแฟนตัวเองไปดมนะคนเจ้าเล่ยครับคือคนที่ตดพร้อมกับไปและกระแอมเบาๆแปลกๆแปลอะไรเงี้ยกบเกินไปเรื่อยนะครับใช้บ่อยคนสุภาพครับคือคนที่กล่าวคําขอโทษก่อนและหลังการตดทั้งๆที่อยู่คนเดียวนะครับพอตดต้าตดทถอะอ๋อไม่มีใครเป็นคนเรียบร้อยครับคนมั่งคั่งฟังเอาไว้คือคนที่ตด อย่างสม่ำเสมอเป็นจังหวะและยาวนานประมาณปะปัดปะปัดปะปัดปะปัดแปะคนอำมหิตกับคือคนที่ตดไม่มีเสียงแต่เหม็นเลยเหมือนตดนิวเคลียร์ทำลายล้างโลกไงไม่รู้มันกะเอากันให้ตายมันกะเล่นกันอย่างนั้นเลยอ่ะต่อไปนี้อันนี้เก่ามากแล้วนะครับท่านอาจารย์จตุพลชมพูนิดก็ก็เล่นบ่อยนะแต่คงจะจําได้แต่ว่าอาจจะมาทบทวนอีกครั้งจําได้นะ สีสัญล <rene> hmm, yeah. so, ักษณ์เล hmm. uh ือกเอาหนึ่งสัญลักษณ์ที่เราชอบที่ส <iano> ุดโดนใจแล้วมาที่สุดจี๊ดเลยจี๊ดเลยคนหนึ่งครับสามเหลี่ยมยกมือขึ้นครับสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมทุกสูงหน่อยสามเหลี่ยมสงสารแกไม่ค่อยเลือกกันเลยสี่เหลี่ยมอิประจารย์เลือกนะครับเพราะอาจารย์ก็หน้าเหลี่ยมอยู่แล้วชอบชอบชอบหกเหลี่ยมสุดท้ายครับวงกลมโอ้สมมากก็ชอบวงกลมกันเหมือนจะรู้ทางโอเคครับสามเหลี่ยมใครเลือกสามเหลี่ยมคอนเฟิร์มอีกครั้งโอเคคุณเป็นคนตรงไปตรงมา ป่ากกระจตรงกันไปเดินไปนี่ชนเสาหัวโนเลยนะครับพวกนี้ป่ากกระจตรงกันมากนะครับซีเหลียมนี่ประจันก็ชอบคุณเป็นคนจิตใจมั่นคงพวกเกลียมครับคุณเป็นคนชอบเสี่ยงเหมาะที่จะทำธุรกิจนะครับเพราะธุรกิจทุกอย่างต้องมีความเสี่ยงอยู่แล้ววงกลมครับคุณเป็นคน <L un its> พอจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับเลยตั้งใจเลือกข้อนี้เลยใช่ไหมครับหลอเลนจริงๆคุณเป็นคน มีความมีไฟไฝรู้เนซึ่งแน่นอนครับพวกชอบอย่างนี้มันต้องมีไฟไฝรู้อยู่แล้วคลิปอยู่ที่ไหนมันหาจนเจอครับเออไม่น่าเชื่อเลยต่อไปนี้สี่ช้อยให้เลือกครับรวดหรือว่างเลยนะยื่นดูไม้เขียรเล่นแจ้งตำรวจยิ้มให้ยื่นดูอำไม้เขียรเล่นรีบรีบเรื่องนะกรณานรีบรีบเลือกแจ้งตำรวจยิ้มให้โอ้ยยิ้มให้เยอะเหลือกันคำถามถามว่าถ้านักศึกษาเจอพระอาจารย์สมปองตกน้ําจะทําอย่างไรนะครับ ในใครเอาไม้เขียเล่นครับพระนะั้นไม่ใช่หมาเน่าล อ, อยมาจะได้ไม้มาเขีย่ยเขียเขียขนาดนั้นอืมในใครยิบมให้โอ้แรงนับใจมากเลยบ่อยครั้งนานๆครั้งกําลังวางแผนไม่เคยบ่อยครั้งนานๆครั้งโอ้เขายัางชั่วกําลังวางแผนอู้นี่น่ากลัวไม่เคยอืมไม่ค่อยจะเชื่อเลยนี่เป็นปัญหาอันดับสองของประเทศนะครับปัญหาอันดับแรกของเยาวชนก็คือยาเสพติด นี่เป็นปัญหาระดับที่สองปฐมวิยมไม่ค่อยกล้าถามนะครับแต่ในใเราก็มหาวิทยาลัยแล้วถามอะไรก็แล้วกันไม่รู้จะผ่านเซนเซอร์หรือเปล่าทางรายการก็พิจารณาก็แล้วกันนะครับคําถามถามว่าเป็นัญหารระดับสองจะเหมาะนิดหน่อยเอาข้ามข้ออื่นนี่มั้งคำน้อยใจเนาะอ้าเอาถามก็ถามอาจจะไม่ผ่านเซ็นเซอร์ต้องขอไปด้วยนะครับนักศึกษาเคยอาบน้ําหรือยังนะครับมันเป็นปัญหาระดับสองของประเทศเลยนะครับการที s, th am, th am, ek, ่คนในชาติตัวเหม็นเนี mmm <theory> ่ยจะทําให้คนประเทศอื <lar ry> ่นไม่ครบรานะฮะ ไม ใ, ใครบ่อยครั้งเหมือนพระอาจารย์สมปองเลยเป็นพ้าที่สะอาดอาบน้ําทุกปีนะครับนานๆครั้งอกลิ่นเริ่มมานะครับตําลังวางแผนอือาบน้นะํานไม่ใช่ลบไม่เคยอันนี้เน่าแล้วเน่าแล้วข้อต่อไปห้องพักครูหน้าเสาธงหน้าเมรุหรือหน้าเมนหลังวัดห้องพักครูใครจะขางพระครูหน้าเสาธงเหมือนจะรู้ทางหน้าเมนโอ้โหมีเหมือนกันหลั ง, หงวัดไม่ค่อยไปใกล้วัดนะพวกเราเนะี่ยคำถามถามว่ า, มมา ตอนนี้ยังไม่มีนะครับอนาคตถึงจะมีนะครับคําถามถามว่านักศึกษานัดเจอแฟนครั้งแรกที่ไหนหนะืมติดใจสาวเจยเนาะคใครเลือกห้องพักครูมันเป็นมุกสองชั้นต้องอธิบายแสดงว่ารู้จักอยู่ใกล้ผู้หลักผู้ใหญ่นี่ใครเลือกน้าสาทองแสดงว่าคุณเป็นคนเปิดเผยนี่รู้ทางกันหน้าเมนตรงกลางมีเลือกแสดงว่าคุณเป็นคนโรแมนติกนะครับไม่มีใครจีบกันหน้าเมนนะครับไม่รู้เป็นอะไรอะ เห็นอะไรเป็นสีชมพูไปหมดเลยผีควักลูกกระตาเพี้ยงหัวเลยนะครับโอ้โหแต่พระจา น, นาทร์ดวงโสดาชินี้ตัวครับมันโผลตึงมาเลยฮะทําไมอใจมันวิววิวอะไรเงี้ยนะใครเลิกหลังวัดครับแ ส, สดงว่าคุณกําลังคิดไม่ดีไม่ร้ายนะครับเท้าแขนแก้มหลังเท้าแก้มนี่รักข้อหน่อแขนหลังเอามือลองครับคําถามถามว่าพอเดาได้เนาะถ้าแฟนขอจบูบจะให้จูบที่ไหนนะครับ ไม่ต้องหัวล้อหรอกแต่จริงตอนนี้ยังไม่มีเนาะแฟนน่นนู่นสี่สิบห้าิบถึงจะมีใช่ไหมครับอะไรน้อยไปเลยครับหกสิบเจ็ิบถึงจะมีไม่ดีเลยครับแต่งเจ็ดสิบมีลูแปดสิบเผาเก้าสิบพอดีเลยครใครเลือกเท้ารักฉันจริงจูบเท้าฉันสี่อะไรเงี้ยหลวงพ่อพยอมบอกไว้ถ้าใครรักเราจริงนะเอาถ่านแดงๆมาวางตักเราและตักแฟนครับถ้ารักเราจริงมันต้องปักฐานออกให้เราครับบางทีมันไม่ปัดให้เรามันปัดทังวันเสร็จของเราที่ต่างหากครับนั่นแสดงว่าเป็นรักจริงแนละ้ว เมื่อกี้นี้เราได้เลือกเลือกสนุกสนานไปชีวิตของคนเรามันเลือกแล้วมันก็แก้ไขได้ใช่ไหมเลือกผิดก็ไม่เป็นไรผิดก็ผิดไปบางครั้งเลือกแฟนไม่ดีถึงตายนะครับได้ดูข่าวไหมสามีอายุหกสิบห้าช้แม่น้ำสามฟาดภรรยาายุคสิบสามตัวเลขไม่ผิดครับตัวเลขถูกต้องแล้วภรรยายุคสิบสามนึกได้ว่าเราเด็กไปมีสามีเร็วกันไปหรือเปล่าอย่ากเป็นเริ่มชีวิตใหม่ไปบอกสามียุคหกสิบห้าเถอะเอ้ย จะเลิกกับคุณนะจะจะเลิกกับคุณแล้สามีก็โอเคเลิกก็เลิกแต่เลิกมึงตายไหมนะสามฟาดเลยครับตายครับเห็นไหมการเลือกไม่ดีเนี่ยนิสัมมะกระนังเสยโยพระศาสนาบอกไว้เลือกให้ดีไข้ควรแล้วจึงเลือกไข้ควรแล้วจึงทําเห็นไหมครับฉะนั้นแเราต้องระมัดระวังให้ดีในเรื่องแบบนี้เราต้องมาค่อยๆเลือกกันต้องเลือกให้ดีด้วยฉะนั้นไหนใครมีแฟนแล้วยังไม่ขึ้นเรื่องอะไรจะบอกถามงูงูชีวิตคืออะไรครับตอบมา เจอยชีวิตคืออย่างเจ้คือการที่เราใช้ชีวิตไปวันวันก็คือก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องตายเราก็ทําในสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีไหมดีค่ะประเวยอดงดอกเจอเลยครับ ข, ขอบคุณามากเลยชีวิตคืออะไรครับอาจารย์มุมมองของอาจารย์ครับต้องต่อสู้ชีวิตและตายในที่สุดปกป้องในแดนแหอาจารย์ด้วยครั บ, รบไหมครับคนเราต้องต่อสู้ชีวิตครับ เราค่อยตายค่อยว่ากันในทีแต่ทําให้เต็มที่ก่อนชีวิตคืออะไรครับในทางโฆษณาอเอาเฉลยแล้วกันนะชีวิตคือทา่ทาสี่กันห้าต่าสี่มีอะไรบ้างครับดินน้ําลมไฟดินคืออะไรเนื้อหนังเอน็นกระดูกน้ําเลือดน้ําลายอะไรอีกน้ําเหลืองกระเดเอเสมหะปัสสาวะใช่เลยลมลมลมตอดอีกแล้วลมหายใจเขาไม่เรียกโตดเขาเรียกว่าเสียงกระซิบจากช่องแคบนะครับไฟคืออะไรครับ ไปคืออุณหภูมิในร่างกายอุณหภูมิหรือไฟเาผาผลาญอาหารนั้นเป็นธาตุไฟสองครับเราเกิดมาทําไมครับเห็นเขาวิ่งปวดๆออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเกิดมาทําไมเพื่อทำความดีอะไรครับเกิดมาใช้กรรมโอ้ผมมาเล่นกับเพื่อนหน่อยตอบมันเกิดในบทเลยครับเนี่ยเกิดมาใช้กรรมแล้วจะหมดกรรมเมื่อไหร่ครับจริงหรเปล่าครับถ้างั้นวันนี้เรามาตายกันดีไหมครับมันก็ไม่แน่ว่าจะหมดกรรม พระพมคุณาภร อ, อดีตท่านพระธรรมปิดกรประยุทธ์ประยุทธ์ต่อตอนนี้ท่านเป็นพระพมคุณาภรณ์นะท่านบอกเลิกโูดเสีทีว่าคนเราเกิดมาใช้กรรมเพราะกรรมมีกรรมดีแล้วก็กรรมทําดีก็ได้ทําชั่วก็ได้โยนในพวกเราหมดเลยเห็นไหมครับแล้วความตายเป็นเรื่องง่ายหรือเรื่องยากครับใครคิดวความตายเป็นเรื่องง่ายยกมือขึ้นเหมือนเมื่อกี้เลยใครคิดว่าความตายเป็นเรื่องยากแสดงว่าพวกนี้ดูหนังจีนบ่อยเห็นไหมหนังจีนตายยากแม่พระอาจารย์ใายตานไม่ดูหนังจีนแกบอกมันไม่ตาย เห็<ส> <S an> นางจีนไหมครับเออกว่าจะตายได้สามอย่าว่ะเออเออแม่นางเสี่ยวเสียวอย่าลืมเก็บผ้าด้วยนะผ้าจะเปียกอะไรประมาณนี้จําเป็นไหมผู้ชายบางคนผู้หญิงเดี๋ยมาบอกเธอดีเกินไปเราเป็นเพื่อนกันเถอะเราไปด้วยกันไม่ได้ถ้าสังติเราไม่ตรงกันเอาไม้จิ้มฟันแทงคอตัวเองตายไม่จําเป็นเลยครับเดี๋ยวจะมีภาพให้ดู <S <S <an> <S <S <an> ครึ่งหนึ่งของชีวิตเรามาร้องเพลงนี้กันร้องนะร้องด้วยนะจะร้องมีรางวัลให้นะครับมีของสมสมน้ําหน้าคุณให้นะครับ จะมีของสมนาคุณด้วยแต่นี้มีให้จริงๆนะครับเป็นได้สายสินนะครับปลูกเสกมาเก้าสิบเก้าวัดมีคนนึงได้ไปขับรถชนเปรี้ยงรถพังทั้งคันส่วนแกตายครับรู้ได้ไงมันอยู่ในเหตุการณ์หยิบเส้นผิดหยิบเส้นผิดเส้นนั้นยังไม่ได้ปลูกเสกหยิบเส้นใหม่มาปลูกเสกแน่นอนมีคนนึงได้ไปไฟไหม้บ้านทั้งหลังของทุกอย่างไม่หมดส่วนแกตายครับจะพูดทําไมเนี่ยบางคนเห็นไหม พ่อแม่เลี้ยงมาจนโตมีเพื่อนมีน้องมีพี่น้องมีญาติลืมครับดึกแหวนทิ้งเลยขว้างแหวนทิ้งดังๆงคร น, นี้ดังแล้วเหรอครับอ่าชีวิตที่หล่นหายครับมีความรักมาเต็มเ็มพอมาแบ่งความรัก ล่าสุดปีสองมหาวิทยาลัยหนึ่งแชทไปหาแฟนมาร่วมงานศพด้วยไม่งั้นจะตามไปหลอกอุมหลอกทางอินเตอร์เน็ตเลยครับแล้วเธอก็ฆ่าตัวตายจริงๆไปดูหน้าเธอสวยมากเลยเได้แทนคุณพ่อคุณแม่จะได้แทนผู้ชายคนอื่นเลือกเกินไปดูหน้าแฟนเธอบ้างอยากรู้ว่าผู้ชายหน้าตาขนาดไหนเธอทําไมเธอต้องเธอต้องฆ่าตัวตายเพราะมันขนาดนั้นไปดูหน้าโอ้หูหน้ายังกับปะบู่ชนเขือนรู้จักหน้าปะบูชนเขือนไหมฮะเคยเห็นหน้าปะบูไหมฮะแล้วหน้าไปชนเขื่อนอีกฮะโอ้เสด้ทําไมเนี้ย พ่อแม่เลี้ยงมาหมดเป็นล้านเลยนะความรักความอะไรที่ไม่สามารถจะประเมินค่าได้อีกทําไมหน้าพ่อแม่ไม่ลอยมามีแต่หน้าป้าบูรอยมาครับบูบูบูบูบูอย่างเดียวเลยตายเลยแต่คนเราไม่ถึงช็อตนี้ก็ไม่เข้าใจเขานะเรามาทําความเข้าใจเขาดีกว่าพี่น้องเราก็มีนะพ่อแม่เราก็มีการเกิดเป็นมนุษย์ยากครับพูดสักนะ้ําบอกไว้มีสิ่งที่ยากที่สุดในโลกสี่อย่างมองหน้าตัวเองครับไ อ, อตัวเองตกใจหน้าตัวเองครับ ผูดายไหเจอยเจอยขนาเป็นเซ่โอ้ยเจอยร้องตามร้องตามยี่ดูครับแค่เข้าห้องน้ำถ่ายไม่ออกก็โมโหโอ้ยดูสิหน้าประบูชนเสือมโอ้โหถ่ายไม่ออกเบ่งไม่ออกปวดหัวมากครับตอนเล็กๆน่ารักกับพ่อแม่ก็น่ารักกับพี่น้องก็น่ารักทําไมเราไม่นึกถึงอ่ะทําไมหน้าประบูต้องรอยมาอย่างเดียว ครึ่งหนึ่งของชีวิตเรามันไม่มีประโยชน์นะครับประสบการณ์เรียนรู้เสร็จแล้วทิ้งไว้ร้องดังๆกว่านี้ไอ้ร้องดังจะสอบผ่านอัตโนมัติเลยแหมกลัวเสียงไม่หลอไม่สวยนะทิ้งเงินค้งี่นีอย่าห่วงสวยตูขนาดแอปเปิลก็อันตรายครับมันจะฆ่าแอปเปิลด้วยครับดูสิ ทำร้ายตัวเองแล้วเห็นไหมคนเราบางคนก้าวเล้าคนอื่นบางคนก้าวเล้ากับตัวเองครับถ้าให้พระจันทร์เลือกพระจันทร์เลือกก้าวเล้าคนอื่นนะอย่าทำร้ายตัวเองเลยนะแต่ไม่ก้าวเล้ากับใครเลยดีที่สุดครับตัวเองคนอื่นต้องคิดอย่างนี้เห็นน้องเห็นพ่อเห็นแม่เราตายพ่อแม่ต้องมาจัดงานศพอีกแล้วมันปวดเล้าๆๆเลยนะครับจัดงานศพลูบตัวเองเลย ฉะนั้นมีพลังลในชีวิตขนาดเราจะไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักเราใช่ไหมเรายังจะทําร้ายตัวเองอยู่เรื่อยๆถามจริงครับถ้าเราตายไปเราจะรู้ไหมแฟนเสียใจเราจะรู้ไหมครับรจะมาเป็นวิญญาณล่องลอยเสียใจใหรือเปล่าไม่รู้หรอกครับมันก็มีแฟนใหม่หน้าตาเฉยไม่รู้หรอกฉะนั้นอย่าไปกล้าตัวตายไม่มีประโยชน์วันนี้คุณธรรมที่เราจะใช้ในร้วนมหาวิทยาลัยครับเราอยู่ด้วยกันเราเป็นอะไรกันครับเป็นเพื่อนกันนี่ใสเหมือนกันไหมครับต่างกันไหม ถ้าเกิดคนเราที่ใส่เหมือนกันแย่เลยนะครับเกิดผู้หญิงทั้งมหาวิเลยมาลุมชอบเธอคนเดียวเธอเอาไหมครับเอาอีกเอา้าอันตรายนะครับลงเดา ว, วางแผนฆ่ากันฉันไม่ได้ก็ต้องไม่ได้อันตรายมากเลยนะครับฉะนั้นคนเรานิสัยต่างกันดีแล้วเขาบอกมาจากคนเรามาจากร้อยพ่อเวอ่อเวเร้อยพ่อร้อยแม่ก็พอแล้วแหมร้อยพ่อพันแม่พ่อเก่งแล้วเกินอัตรากตั้งหนึ่งต่อสิบเกินไปละเกินไปละเราร้อยพ่อร้อยแม่นิสัยย่อมไม่เหมือนกันแตกต่างกันใส่เสื้อขาวมาเห็นจุดดำจุดเดียว ห้ายเสื้อดำขาวอีทั้งมากมายไม่มองเขามีข้อดีแค่ข้อเดียวแค่เขาเป็นคนเห็นแก่ตัวก็ไม่คบเร้าแล้วซึ่งมันก็ไม่น่าครบร้นนะครับเขาอาจจะเรียนไม่เก่งแต่กิจกรรมช่วยดีตลอดหรือบางคนกิจกรรมไม่เก่งแต่เรียนเก่งติวให้เพื่อนได้เขามีข้อดีมากมายเขามีส่วนเร็วบ้างจ้าหัวเขาหลวงพ่อประธาต์บอกไว้เขามีส่วนเร็วบ้างจังหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์แก่โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ช่วยอย่าไปรู้ของเขาเลยครับเห็นไหมครับโทษคนอื่นมองเห็นเช่นภูเขาโทษของเรามองเห็นเท่าเส้นคน ตดคนอื่นเม้นเบื่อเราเหลือทนตดของตนถึงเหม้นไม่เป็นไ ร, อไรอมองแต่ผู้โทษของคนอื่นฉะนั้นมองประโยชน์ของคนอื่นบ้างมากๆสื่อนี้เหมือนกันครับนี่เป็นความรักระดับไหนครับโตขึ้นจะต้องมีความรักแบบแบบแฟนเหมือนอาจารย์จะผลพูดไว้คนเรารักกันใหม่ๆมันจะตําลักทําให้คนตาบอดนั่งกันอยู่คนละขอบโต้ยังคบกันใหม่ผู้หญิงถามเธอมองหน้าฉันเธอคิดอะไรอยู่ผู้ชายก็คิดเหมือนเธอนั่นแหละบ้าลา ม, มกแสดงผู้หญิงกำลังคิดลา ม, มกอยู่นะเนี่ย แต่งงานกันไปห้าปีมีลูกสามคนเปลี่ยนเสียงเลยไอ้แก่มองหน้าฉันแกคิดอะไรอยู่ผู้ชายตอบคิดมันแกนั่นแหละลุกขึ้นชี้หน้าเลยอ๋อไอ้แกคิดจะฆ่าฉันเหรออะไรแสดงว่าวางแผนฆ่ากันอยู่นะครับเอาต่อไปนี้เรามาดูชีวิตของคนคนหนึ่งฉะนั้นเราดูหนังดูละครแล้วดูหนังไหวไหมได้ธรรมะไหมได้ธรรมะไหมครับดูเด็กหอได้ไรพระอาจารย์สรุปเลยเด็กหอถ้าคบเพื่อนไม่ดีคบผีดีกว่าครับจริงๆครับผีที่เป็นเพื่อนนะ คบเพื่อนไม่ดีคบผีดีกว่าเห็นไหมครับผีน่ารักมากเลยมาช่วยมาอะไรแต่ว่าก็อย่าไปช่วยพิธีนั้นนะถามถึงเหตุผลเธอก็บอกแต่เพีงว่าเวลาของเราเรลือน้อยมากสองคำถามที่พระอาจารย์ถามอยู่ในนี้ครับหลังทำคลอดเพียงสองชั่วโมงเธออุ้มลูกแล้วก็หายไปชายคนหนึ่งกําลังจะตายด้วยโรคเนื้องอกในสมองที่สําคัญเขาควรจะยอมแพ้แล้วก็ตายไปตั้งนานแล้ว ในช่วงเวลาที่มนุษย์มีชีวิตอยู่มักมีคำถามเกิดขึ้นเสมอว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรเด็กน้อยอยู่ในอ้อมกอดของพ่อทันเวลาบางทีคำถามนี้อาจมั้จะเป็น ชีวิตอยู่เพื่อใครต่างหาเขาไม่ตอบไปทานคะรับเกิดมาทําไมอยู่เพื่ออะไรไม่ตอบมาถามย้อนเลยเรามีชีวิตอยู่เพื่อใครต่างหากต้นเล็กดูแลแม่ดีๆนะครับรู้ไหมรักแให้มากๆพ่อก็รักแม่เหมือนกันรู้ไหมครับพ่อหลังแม่มจริง ดูแลแมนะ่ดีๆนะลกูกนี่ไหมครับเราเกิดมาเพื่อใครกันฮะธรรมะไม่ใช่ อ, อมเพียนะครับที่จะิดสดแล้วมันกลืนยากธรรมะดื่มง่ายทานง่ายบริโภคง่ายเสพง่ายฟังง่ายๆเราได้ข้อคิดง่ายๆดูโฆษณาครั้งใดก็ได้ธรรมะดูมิวสิกวิดีโอก็ได้ธรรมะดูหนังดูละครได้ธรรมะเอามาสอนให้เราฉลาดขึ้นในเมื่อเราต้องดูสื่อทุกวัน ทำไมเราไม่เอาธรรมะไปไว้ในสือ่อแล้วเรียนรู้จากสิ่งนั้นถ้าเรารู้สึกเมื่อยขาจงดีใจที่มีขาให้เมื่อยถ้าเรารู้สึกเมื่อยแขนดีใจมีแขนได้เมื่อยรู้สึกเบื่อที่เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ดีใจที่ตายัางมองเห็นเบื่อที่รถติดดีใจที่มีรถให้ติดดีใจเบื่อการทํางานแล้วเกินเหนื่อยแล้วเกินดีใจเถอะมีงานให้ทําเบื่อเรียนแล้วเกิน สามแสนคนในประเทศไทยไม่มีโอกาสได้ใส่ชุดเหมือนเราอิจฉาเราจะตายเห็นเราอยากเรียนบ้างขอทานบ้างเล่ร่อนบ้างถูกจับไปหลายที่หลายทางแต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียนให้เกียรติสถาบันเหมือนป้ายมหาวิทยาลัยเราแต่งกายถูกระเบียบไม่ใช่หายไอทีกระดุมหลุดเลยไม่ได้นะแต่งกายถูกระเบียบภูมิใจได้ใส่ชุดนี้ภูมิใจกับอีกหลายคนไม่ได้เรียนที่นี่มานอกมานอกอย่าจารณาก็ไม่มีโอกาสได้เรียนที่นี่นะครับน้อง <c oughs> ตุงย์ตรงครับหลับตาลงเรื่งสองซ้ำ นึกถึงคุณพอ่อคุณแม่บางลูกบางคนอาจจะรู้สึกเฉยนะรู้สึกให้นึกทําไมพ่อแม่เลี้ยงก็เลี้ยงไปโตแล้วหลายคนคิดขนาดว่าพ่อแม่ไม่ค่อยให้อะไรเรามีน้องก็ให้แต่น้องบ้างหรือไม่ก็ให้แต่พี่บ้างลูกบางคนตอนพ่อแม่มีชีวิตอยู่ไม่เคยดูแลเอาใจใส่ไม่เคยสนใจไม่เคยคิดแม้แต่เสี้ยววินาทีว่าจะทําให้ท่านมีความสุขตั้งใจเรียนเพื่อท่านเชื่อฝังท่าน น่าเจ็บใจไหครับถ้าเราเลี้ยงลูกมาเลี้ยงใครมาสักคนแทนที่เขาจะเข้าข้างเราทําให้เราสบายใจมีความสุขกลับมาเป็นหอกข้างแพ่คอยพูดขัดใจเราเป็นลูกบางคนครับตอนพ่อแม่มีชีวิตอยู่ไม่เคยดูแลเอาใจใส่พอพ่อแม่ตายลงนําศพของท่านใส่ลงทองอย่างดีนําไปไว้ที่วัดนิมนต์พระสวดเจ็ดวันเจ็ดคืนมั แล้วลูกน้อยผู้โง่เขาก็ไปเคาะที่ข้างหลงศพแม่จา๋าพระมาแล้วรับศีล น, นะแม่นะแม่จา๋าฟังพระสวดนะแม่ทานข้าวนะแม่นะตอนพ่อแม่มไม่จะไปอยู่ไม่เคยหาอะไรให้ทานลูแล้วพอท่านตายลงท่านได้อะไรท่านได้ข้าวต้มถ้วยเดียวน้ําเปล่าอีกครึ่งแก้วส้มอีกสองสามลูกที่ลูกน้อยเอาไปวางไว้ข้างหลงศพสุดท้าย สัปเปลลึกเขาก็ไปเทให้โุนากินลพ่อแม่ไม่ได้ทานอะไรเลยเขบอกพ่อแม่เราก็เปรียบเหมือนกับเทียนลยูกเทียนให้แสงสว่างแก่ผู้อื่นมากเพียงไรลําตัวของเทียนก็จะสั้นลงเรื่อยๆทุกขณะทุกขณะถามว่าเทียนร้อนไหมตอบว่าร้อนสังเกตจากหยาดน้ําตาของเทียนที่ไหลลงมาบนเชิงเทียนเหมือนน้ําตาของแม่ ที่ต้องหลังออกมาเพราะการกระทําเร็วๆของลูกบางคนลูกบางคนใช้ปากที่พ่อแม่ให้มาไปโกหกท่านไปด่าท่านไปเถียงท่านพูดได้ท่านเจ็บช้าน้ําใจบ้างลูกบางคนใช้มือใช้เท้าที่พ่อแม่ให้มาไปชกไปต่อยไปทําร้ายท่านลูกๆที่รัครับลูกคนใดกระทํา กรรมแก่แม่สุดเหลวแท้ชั่วช้าสิ้นราศีลูกด่าพ่อตีแม่ลูกกาลีลูกไม่ดีทําแม่ช้าน้ําตาดินน้ําตาแม่หลังรินเมื่อลูกร้ายน้ําตาแม่เป็นสายเมื่อลูกมิ่นน้ําตาแม่หลังลงรถผืนดินเมื่อได้ยิน ลูกเสเพลเนและคุณลูกๆที่รักครับจัดห้องนอนให้พ่อแม่แม้เพียงครั้งเดียวดีกว่าพวงดีกว่านําศพของท่านใส่ลงทองอย่างดีนําไปไว้ที่วัดมอบดอกไม้ให้พ่อแม่แม้เพียงดอกเดียวดีกว่าพวงรีดร้อยพวงพันพวงที่เราเอาไปวางไว้ข้างลงศพของท่านน้ําเย็นๆสักแก้วอาหารดีๆสักจานนาไปมอบให้แก่ท่าน ดีกว่าอาหารอันประนีที่เรานําไปให้ท่านในเมื่อท่านไม่มีโอกาสจะได้ทานแล้วธรรมะเป็นเรื่องง่ายธรรมะเป็นเรื่องง่ายๆสบายสบายเราฟังได้ฉะนั้นประคองชีวิตของตัวเองให้ถึงจุดสุดท้ายของชีวิตให้เป็นคนแก่คนหนึ่งไม่ใช่ว่าถึงวัยรุ่นเป็นหนุ่มแล้วเราก็ตายไปให้กําลังใจกับชีวิตใครไม่เห็นคุณค่าเราต้องเห็นคุณค่าของเราพ่อแม่รออยู่บ้านเมืองรอเราอยู่ในหลวงเหนื่อยมาตลอดหกสิบปีอยาให้พระ อ, องค์เหนื่อยเปล่า ทำให้พระองค์มีความสุขชื่นใจไม่ต้องไปเฝ้าพระองค์ก็ได้แค่ทําหน้าที่ของคุณเป็นลูกทําหน้าที่ลูกที่ดีเป็นลูกศิษย์ทําหน้าที่ลูกศิษย์ที่ดีเป็นเพื่อนทําหน้าที่เพื่อนที่ดีเป็นพลเมืองทําหน้าที่พลเมืองที่ดีเป็นสาธนิกชนของศาสนาใดๆก็แล้วแต่ทําหน้าที่ของตัวเองโดยเฉพาะชาวพุทธก็ทําหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีเท่านี้พระองค์ก็พอพระไถยแล้วไว้อาจารย์ขออวยพรให้ทุกคนทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตทุกท่านทุกคนเทิน แรกปราศทิฏฐิให้ได้ก่อนแล้วก็มีคําพูดทักทายถ้าเกี่ยวกับไปโรงเรียนอื่นนะเขานั่งสลับกันหลอกที่เละสวยที่เละหลอกที่เละไปโรงเรียนเราไม่สลับเลยขี่เละที่เละที่เละอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็จะออก <c oughs> การเตรียมตัวการเตรียมเรื่องการศึกษาหาข้อมูลจริงจําเป็นมากต้องรู้เขารู้เราเหมือนที่เขาบอกรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะครับรู้ว่าคนฟังเป็นใครเขาต้องการที่จะฟังอะไรเราต้องศึกษาหาความรู้สมมติเรื่องวัยรุ่นก็ไปดูเลยว่าปัญหาวัยรุ่นมีอะไรบ้าง เราจะเอาธรรมะอะไรไปแก้ไขเอากําลังใจตัวไหนไปให้เขาเอาตรงไหนไปเสริมกําลังใจเอาตรงไหนไปไปดักไม่ให้เขาไปในทางที่ไม่ดีสำหรับวิธีเลือกเรื่องที่จะพูดนะครับแล้วก็ให้เหมาะกับคนฟังสมมติถ้าเป็นวัยวัยรุ่นเขามีปัญหาเรื่องอะไรละ่ะเขามีปัญหาถ้าเป็นนักเรียนเรื่องของการเข้าเรียนเรื่องความรักในโรงเรียนเรื่องยาเสพติดเรื่องพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่โรงเรียนเขาอยากจะให้เราไปช่วยแก้ไขังนั้นก็เลือกให้ให้เหมาะกับคนที่จะฟัง สาคัญต้องยึดคอนเซ็ปต์เดิม5สสนกสาระสงบสติและสําเน็จเรื่องราวที่ทุกท่านได้ดูจบไปในรายการธรรมะเดลิเวอรี่ในวันนี้เป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นของธรรมะที่มีอยู่ก็เปรียบเหมือนดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าใบไม้ในป่ามีมากกว่าใบไม้ในกํำมือฉันใดธรรมะเดลิเวอรี่ของเราในวันนี้ก็คือใบไม้ที่อยู่ในกํำมือข่านนั้นเราจะมีธรรมะอีกมากมายที่จะมานําเสนอให้กับทุกท่านได้ติดตามชมติดตามฟังกันว่า ทำให้ในยุคนี้นั้นทําให้ทุกท่านมีความสุขมีความสนุกได้สาระแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของทุกท่านได้จริงๆเนื่องในปีใหม่สองพันห้าร้อยห้าสิบนี้เป็นปีหมูเป็นปีกุณสุกนาแปลว่าสุกรภาษาบาลีสุแปลว่าดีงามง่ายการรับแปลว่าการกระทำทำได้ง่ายขอให้ทุกท่านคิดว่าความดีทำง่ายการที่จะรักคนรอบข้างสา ม, มีภรรยาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย รักคนอื่นทํนาได้ง่ายขอให้ทุกท่านนําความสุขนําสิ่งนั้นให้กับคนอื่นแล้วก็ให้กับตัวเองได้ง่ายที่สําคัญที่สุดธรรมะก็ฟังได้ง่ายแล้วก็นําไปใช้ได้ง่ายเช่นเดียวกันขออ้างอิงอาคุณพระศรีเทพ้านัตตรายอำนาจหลงพ่อศักดิ์สิทธิ์หลงพ่อเหลือแห่งวัดส้อยทองมาปกปักรักษาให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตแจ่มใสคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นฟังสำเร็จแก่ทุกท่านทุกคนเทินเจริญธรรม